ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังธรรมะแท้ๆเข้าวัดก็ไม่ค่อยได้ยินธรรมะนี่หลวงพ่อมาพูดให้ฟังพอเราได้ยินได้ฟังแลเข้าใจเข้าใจด้วยกันคิดเอาการพิจาจรณาไตรตรองเอาถ้าจากนั้นก็นำไปปฏิบัติ อปิบัติแล้วทำมะจะเข้าสู่ใจเราเขาเนี้ยเข้าใจจริงๆคนโบราณเก่งมากนะใช้คําว่าเข้าใจเนี่ยสับภาษาไทยนะมีศัพท์เกี่ยวกับจิตใจนี่เยอะมากเลยเข้าใจไม่ใช่เข้าสมองไม่ใช่เข้าหูเข้าสมองไม่นานสมองก็เสื่อมจะแก่ลงสมองก็เสื่อมแล้วเข้าหูหูมีหลายหูเข้าทางนี้ออกทางนี้นะแต่เข้าใจใจเมียันเดียว ใจมันไม่เสื่อมไปไหนหรอกนะใจมันเกิดดับสืบเนื่องกันตลอดมั่นมันส่งทอดข้อมูลกันไปข้อมูลเก่าแก่ข้ามภพข้ามชาติมันยังส่งได้เลยยันอย่างเราเรียนธรรมะถ้าเราเรียนแบบปริยัตเรียนปริยัตเนี่ยท่องไปพอสอบเสร็จก็เริ่มลืมละไม่เชื่อลองถาพระดูพระของหลวงพ่อเนี่ยได้นักทำเอกทุกอง์เลยยกเว้นองค์สุดท้ายที่ไม่ได้พอเพิ่งบวช แล้ว น, น, นักธรรมเอกทั้งนั้นะวันนี้ขั้นต่ําลวงพอมาบวชตอนแก่มากแล้วเขามาบวชนล้ไม่ได้คิดเรียนแล้วที่จะรีบภาวนาก็เลยไม่ได้ไปเรียนอุนปชาเาบอกให้ไปสอบนักธรรมตรีไว้หน่อยก็ยังดีนะไปสอบไหมส่วนลูกศิษย์นี่ยได้นักธรรมเอกหมดเลยสอบเสร็จปุ๊บไม่กี่วัน่ะเราไปถามสิ แต่ภาวนาหลวงพ่อภาวนาแต่เด็กนะป่านนี้มันยังไม่ลืมเลยเมื่อความรู้อย่างนี้ไม่ไมเหมือนกันความรู้จากการอ่านการท่องการไตรตรองนะทรงจำมาไว้ความรู้ที่อาศัยสัญญาจำจำมาไว้ความรู้อย่างนี้พอสมองมันเสื่อม เวลามันผ่านไปความรู้วันนี้ก็หายไปมันไม่เหมือนความรู้จากการภาวนานะมันฝังเข้าไปในใจเราเมอฝังเข้าไปในจิตใจแล้วเนี่ยมันข้ามภพข้ามชาติได้กระทั่งการทำความชั่วนะมันก็ฝังเข้าในใจเมเมนไม่ว่าเราจะทำดีหรือทำชั่วนะมันก็ฝังเข้าไปอยู่ในใจเราข้ามภพค้ามชาติได้ นิสัยพวกเราที่เป็นอย่างทุกวันนี้มันไม่ได้เริ่มเป็นวันนี้หรอกไม่ได้เริ่มเป็นชาตินี้หรอกมันสะสมกันมาตนแต่ไหนแต่ไลแล้วย่างพี่น้องฝาแฝดนะเกิดมาห่างกันไม่กี่นาทีหรอกเกิดต่างกันไม่กี่นาทีนิสัยใจคอไม่เหมือนกันเลยก็มีพื้นเดิมมันไม่เหมือนกันมันสะสมมา ว่าคนคนหนึ่งนะจะพัฒนาจิตใจเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใช้เวลานานมากยิ่งไม่รู้วิจนะจะคลําอยู่งั้นนะดีขึ้นแล้วก็เลวลงดีแล้วขึ้นแล้วก็เลวลงไปเรื่อยๆยากมากที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาศัยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านะแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจด้วยกันใส่จองเอาฟังแล้วใช้เหตุเชิผลเอาแล้วลงมือปฏิบัติ พอเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราได้เห็นสภาวะต่อหน้าต่อตาอย่างเราเห็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่าเราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเห็นรูปที่ยืนเดินนั่งนอนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นรูปที่หายใจออกหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นรูปที่เคลื่อนไหวเห็นรูปที่หยุดนิ่งตั้งแต่เกิดแล้วก็ดับไป พอใจมันได้เห็นซ้าแล้วซ้าอีกนะมันจะเข้าใจเข้าไปอยู่ในใจแร้มันจะเริ่มเรียนรู้นะสรุปตัวเองจิตมันจะสรุปได้ด้วยตัวเองตรงที่มันเข้าใจแจ่มแจ้งแนละ้วมันจะสรุปได้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเนี่ยจะเห็นถึงขนาด น, นี้ ถ้าเห็นถึงขนาดนี้นะจะเป็นพระโสดาบันแล้วพอเป็นพระโสดาบันตายไปเกิดยังไม่ได้พระอราหันต์ตายไปเกิดอีกอาจจะเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้นแต่ไม่เกิดเป็นหมาเป็นแมวไม่ตกนรกทําความชั่วมาเยอะเลยแต่พอได้โสดาบันไม่ต้องตกนรกถือว่าฆ่าคนไม่เยอะเลยะแล้วก็บรรลุพระโสดาบันขึ้นมา ไม่ใช่บรรลุเพราะค่าเยอะนะหมายถึงภาวนาเยอะขึ้นมากลับใจอย่างพระอุคุริมานไม่ใช่แค่บรรลุโสดาบันนั้นบรรลุพระอรหันต์เลยพอบารรลุแล้วเนี่ยกรรมชั่วทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถให้ผลได้ในการเกิดจะไม่ให้ผลในการไปเกิดแต่ให้ผลหลังการเกิดแต่อย่างพระโอคุริมานเนี่ย ถ้าไม่ได้พระอราหันต์เกิดอีกเนะจะถูกเขาฆ่าเล่เทะเรื่อยๆไปถูกเขาทำร้ายตลอดเลยแต่นี้ท่านบนรรลุพระอราหันต์ไม่เกิดท่านก็เลยรอดไปรอดไปทั้ง ก, รการการให้ผลด้วยการเกิดแล้วก็การให้ผลหลังจากการเกิดแต่ยังได้โสดาบันเนี่ยกรรมชั่วทั้งหลายนะั้นไม่ให้ผลตอนเกิดแล้วยังไงก็เกิดในสุคติ แต่เมื่อเกิดแล้วนะกรรมชั่วตามมาให้ผลหลังการเกิดการให้ผลในระหว่างที่เกิดทำให้ไปเกิดตรงโน้นตรงนี้นีน่นะนว่าเป็นอุปติการอุบัติการการให้ผลหลังจากเกิดมาแล้วโตมาเรื่อยๆเจอปัญหาชีวิตเจออะไรมากมายถูกเขาทำร้ายถูกอะไรอย่างเงี้ยถูกเขาชอบโกงอะไรเงี้ยกรรมชั่วให้ผลอย่างนเนี้ยเรียกว่าประวัติการ สืบเนื่องมาเป็นต่อเนื่องม า, างั้นถ้าเราพอนานะถึงเราเคยทำผิดทำบาปอะไรทุกคนเคยทำทั้งนั้นแหละเคยทำผิดทำบาปเราพอนาพานาหนีนรกหนีได้ไหมหนีได้แต่พอมาเป็นคนนะเราจะตกนรกในเมืองมนุษย์นี่แหละอย่างเช่นที่พวกเราตกอยู่ทุกวันนี้แหละนะรู้สึกไหมชีวิตเรา ปัญหาเคร่งเครียดเยอะแยะไปหมดเลยนะชีวิตไม่ค่อยจะมีความสุขไม่ค่อยจะมีความสบายเท่าไหร่เลยใครรู้สึกว่าเกิดมาแล้วสบายสบายชาตินี้มีไหมยกมือให้ดูหนะ่อยมีไหมบางคนก็เป็นนะอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆนะเกิดมารู้สึกสบายสบายนะทำอะไรก็สาเร็จผ่านมาได้ง่ายๆผ่านมาอย่างดีเจอก็เจอคนดีๆแต่เวลากำให้ผลนะเจอคนร้ายอะ่ะ ปัญหาปรับมาถึงตัวนั้น ง, งงเลยนะเพราะว่าในโลกนี้มีแบบนี้ได้เหรออะไรอย่างนี้ในวงการพระเนี่ยร้ายกาศขนาดนี้ชเฉยหรือไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นตอนเป็นโยมนะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ละวงที่เราเข้าไปหาหนั้นสะอาดหมดจดนะแล้วพระที่อยู่แวดล้อมท่านก็ดูดีใช้คาว่าดูดีนะดีหรือไม่ดีเราไม่รู้หรอกแต่ดูดี ครูบาอาจารย์เราก็ดีดีส่วนคนแวดล้อมก็ดูดีอะย่างนี้เราก็คิดว่าพระจะต้องดีพอมาอยู่ในวงการพระถึงรู้ว่าโอพระก็คนนั่นแหละเราจะไปด่าพระมากนะเพราะจริงๆมันก็คนนั่นแหละแค่เปลี่ยนเครื่องแบบเท่านั้นเองอย่างพวกเรานิสัยยังไงนะหผมผ้าเหลืองเข้าไ้นิสัยอย่างนั้นก็ยังอยู่ไม่หายหรอกผ้าเหลืองนั้นไม่สามารถแก้ อ, อนุสัยกิเลสได้นะ แก้สันดานไม่ได้พูดง่ายๆพูดพร้อยแก้อนุสัยกิเลสไม่ได้จะต้องภาวนานะค่อ ย, ยกระดับขึ้นมางั้นเวลาที่เราเจอปัญหาชีวิตเจออะไรที่ไม่ชอบใจเราจไปโตโตกใจน่าจะพอใจนะว่าได้เริ่มใช้นี่แล้วใครเคยกู้เงินซื้อบ้านบ้าง จำได้ไห e ม Omaha, เดือนแรกๆเนี่ยเราเห็นใบเสร็จมาเนี่นะใจฟอเลยใช่ไหมดอกเบี้ยหนึ่งมืนเงินต้นห้าสิบบาทดอกเบี้ยเยอะๆเลยเงินต้นนิดเดียวใจฟอเลยโอ้เมื่อไหร่จะหมดนะตอนท้ายๆก็จะคึกคักขึ้นใช่ไหมเงินต้นมันลดลงทีละน้อยทีละน้อย ดอกเบี้ยมันก็ลดลงเวลาจ่ายจริงเงินต้นมันก็เพิ่มขึ้นงั้นเวลาที่เราเจอปัญหาชีวิตเนี่ยเป็นเวลาเช็คบินแล้วทุกคนต้องเจอเมื่อเราทำไปแล้วยังไงต้องเจอยิ่งถ้าเราเกิดในชาติไทยๆนะทำปุ๊บเจอปับ๊บใครเคยรู้สึกไหมว่าถ้าไปทำบาปปุ๊บจะเห็นผลทันทีเลยโดนทันทีเลยมีแม่ยกมือสิ พวกนี้ใกล้จะไม่เกิดแล้วพราะคนไหนรู้สึกจะทําทบาปแล้วไม่เห็นมาเลยมีไหมไม่เห็นผลเลยมีไหมยกมือสิไม่ยอมยกเพรรู้คําตอบพรรู้คําตอบเพราะงันถ้าเรานะผลของกรรมมาอย่าไปโตตกใจเรากําลังใช้เงินต้นกําลังใช้เงินต้นอยู่แต่ว่าดอกเบี้ยมันมีนะ ทำบาปมันมีดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยมีอัตราที่แตกต่างกันทํำบาปต่อคนไม่มีศีลมีธรรมหรือทําต่อสัตยระฉานอะไรนี้นะก็มีดอกเบี้ยไปทำต่อผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยดอกเบี้ยแพงไปทำต่อพระอริยะต่อพระพุทธเจ้าต่อคณะสงฆ์นี่ดอกเบี้ยบุนแรงที่สุด ทำต่อพระพุทธเจ้าก็ะทำต่อคณะสงฆ์นะดอกเปียแพงที่สุดเป็นอนันตริยกรรมไรแรงที่สุดงั้นเวลาที่กรรมชั่วให้ผลมาอย่าไปตกใจให้ทําใจให้สบายว่ากําลังเริ่มใช้นี่ล้วกรรมชั่วใหม่อย่าไปทํายิ่งถ้าชาติชท้ายๆขึ้นไปทำกรรมชั่วปุ๊มจะให้ผลทันทีเลย จะให้ผลทันทีเราค่อยๆฝึกค่อยๆพอตายกระดับใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันทุกวันความดีอะไรที่ยังไม่ทำก็สำรวจตัวเองความดีอะไรยังบกพร่องศีลข้อไหนยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วก็ตั้งใจให้มันดีขึ้นอย่าป โทษโน้นโทษนี่นะอ้างโน้นอ้างนี่เช่นเห็นคนอื่นทําผิดศีลได้ทําไมเราจะทําไม่ได้มีเหมือนกันนะพระบางองค์เห็นฟ้าอื่นไม่ดีทําไมองค์โน้นยังทําได้เราก็ทําได้เฮ้ย ไ, ไปมองอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะนั้นเขาทำชัว่วทําไมไม่ไปมองว่าองค์นี้เขาทําดีอะไรเราต้องเอาอย่างเขาสิถ้า เ, เราไม่มีข้ออ้างศีลเราต้องรักษาะถ้าไม่รักษาแล้วก็ ระยะยาวหาความสุขไม่ได้หรือจิตใจเราไม่เคยฝึกให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็มาฝึกจิตฝึกใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเ ป, เป็นความดีที่ต้องทำแต่เดิมฟุ้งซ่านตลอดอย่ามาอ้างว่าหนูเป็นคนฟุ้งซ่านเพราะงั้นหนูทำสมาธิไม่ได้นี่ข้ออ้างขนาดหมาแมวนะหรือเสือช้างอะไรเขายัางไปฝึก เล่นละครได้เลยใช่หไหมเล่นกายกรรมได้ช้างบางตัววาดรูปได้ด้วยก็เห็นไหมวาดสวยกว่าเราอีกเราวาดออกมาเราตั้งใจวาดเลยเพราะช้างมันเอา่งวงป้ายชุบชุบชุบโห oh, <c oughs> เป็นภาพแอพสแตรก <c oughs> สวยกว่าของเราอีกสัตว์เดรัจานยังฝึกได้เลยใจของเรานี่ก็ฝึกได้เหมือนกันเราไม่มีข้อห้างนะเช่น หนูเป็นคนฟุ้งซ่านงั้นหนูทำไม่ได้หรอกหรือหนูเป็นคนขี้โมโหยังไงหนูก็ต้องโมโหเนี่ยพูดอย่างนี้นะมันภูมิใจที่ได้โมโหใครเคยภูมิใจที่โมโหมากมีไหมภูมิใจที่โมโหเนี่ยจะมีเยอะภูมิใจรู้สึกเวลาโมโหแล้วมันเก่งหมันกลางขนาดหมาเห็นนะหมาเอาหางจุกก้นเลยเนีเ่เก่งมากเลยชนะกระทั่งหมา ใครเคยโลภแล้วก็ภูมิใจมากมีไหมสังเกตไหมตัวนี้ไม่ค่อยมีใครเคยฟุ้งซ่านแล้วภูมิใจไหมผมเพิ่เคยเห็นโลกฟุ้งซ่านแล้วภูมิใจเนี่ยมีนะฟุ้งแล้วมันมากเลยใครเคยเศร้าแล้วสะใจเศร้าๆมีอารมณ์เศร้าแล้วบิ้วขึ้นมาด้วยนะแล้วสะใจเนสะใจแสบๆผู้หญิงเป็นเยอะผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายเท่าที่สังเกตนะ ผู้หญิงเนี่ยชอบคิดเรื่องลา ม, มกเ<ม>ยอะเหมือนกันนะแต่ก<ม>็แล้วก็ชอบบิวเรื่องเศร้าๆอะไรเงี้ยมี <laughs> ไม่ต้องยกมือนะ <laughs> ไม่ต้องยกมือเสีย <laughs> เสียภาพโพสนี่เราค่อยๆฝึกไม่ใช่มาอ้างหนูเป็นคนอย่างนี้แหละหนูต้องเป็นอย่างนี้แหละนั่นขออ้างหมายังฝึกได้เลยเอ้มวนอะ่ะ ขาหลังเดินไม่ได้เขาฝึกให้เดินด้วยขาหน้าขาหลังใส่ล้อมันยังเดินได้เลยเห็นไหมเถ้าใครคิดว่าตัวเองฝึกไม่ได้ลองไปไหว้มันดูแลชีวิตจะได้เจริญดูสิมันพิการนะมันแก่มากนะมันพิการนะมันยังสู้เลยยังสู้เลยนี่พวกเราก็ต้องสู้เหมือนกันนะอย่างหนุ่มอย่างสาวอย่ามาอ้างวนะ่าหนูเป็นคนอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นั้นข้ออ้างเราเปลี่ยนได้ ถ้าเรารู้วิธีเปลี่ยนไม่มีศีลเราก็สำรวจตัวเอง ส, สีลศีลข้อไหนบกพร่องแล้วก็ตั้งใจรักษาขึ้นมาไม่เคยฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็ฝึกเข้าสีใจมันเคยชินที่จะหนีเราก็มาฝึกให้มันเคยชินที่จะรู้สึกตัวหนีเรารู้หนีเรารู้บ่อยๆอย่าไปเพลินเมื่อกี้ที่ให้ถามที่หลวงพ่อถามนะว่าใครพอใจที่ฟุ้งซ่านมันเพลินในความคิดของตัวเองนะฟุ้งไปแล้วเพลินสนุกนะ บางคนจะใช้วิธีนี้เวลาตอนจะนอนจะคิดถึงเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะจะคิดถึงเรื่องนี้แล้วหลับมีไหมวันไหนนอนไม่หลับนะ่าจะกลับมาคิดเรื่องนี้คิดแล้วพักเดียวก็หลับเลยบางคนคิดว่าไปเดินดูดอกไม้อะไรอย่างเงี้นะสวยงามแป๊บเดียวหลับไปเลย ใ, ใจมันเคยชินมันเคยชินรู้สึกมาทางนี้แล้วผ่อนคลายใจก็หลับถ้าเรามาฝึกตัวเรานะ อย่ปล่อยให้มันเคยชินในตามแบบอดีต ท, ที่ตามกิเลสไปมาฝึกความเคยชินใหม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ฝึกให้มากแล้วต่อไปมาฝึกแยกนฝะึกกายนี่ก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกไปเรื่อยทีแรกมันก็ดูงงๆมันแยกบ้างมันรวมบ้างฝึกไปฝึกมาอา้าวกายกับใจมันแยกออกจากกันละ อันนี้สําหรับคนที่ไม่เข้าฌานนะเข้าฌานไม่ได้แต่สําหรับคนที่เข้าฌานได้ลึกๆเน่ยเข้าฌานจนโลกธกาตุหายไปนะโลกนี้หายหมดเลยร่างกายนี้ก็หายนะเหลือแต่จิตผู้รู้อันเดียวพวกนี้จะกําไรของพวกเราเยอะเลยของพวกเรานะบางทีมันก็แยกออกมาจริงมันก็รวมเข้าไปนะแต่ถ้าคนที่ผ่านฌานจนถึงระดับที่โลกธกาตุดับร่างกายหายไปนเะหลือแต่ตัวรู้เดียวนะี พอกลับมามีร่างกายเนี่ยจิตกับกายจะไม่รวมกันอีกแล้วเพราะว่าจิตเนี่ยมันตรหนักแน่ชัดแล้วว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเมื่อกี้ตอนที่ภาวนาอยู่เนร่างกายไม่มีเราหายไปแล้วนะถ้าภาวนาได้จนถึงชาญระดับนี้นะชานที่สี่นะสี่ขึ้นไปเนะี่ยตัวรู้จะแยกกับตนอมัตแล้วก็ไม่รวมกันแล้วจิตจะเป็นผู้รู้อยู่แคนะ่นั้นตั้งมั่นเด่นดวงอยู่จิตจะเป็นผู้รู้กับผู้หลงนะ เป็นหลงไปหลงอารมณ์แต่ว่าเวลามารู้สึกร่างกายปุ๊บจะเห็นในกายกระใจมันขดละอันจะแยกเลยของเราเนี่ยบางทีกายก็กายกระใจก็เป็นอันเดียวกันหลวงพ่อฝึกตัวเองมากเลยนะ้แต่เป็นโยมหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่หลวงพ่ออดทนแช้ความอดทนเราไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดจีเนียสอะไรหรอกค่อนข้างซื้อบือ้อเรื่อยาไปไม่ค่อยรู้เท่าทันคนหรอก เห็นคนแล้วก็รู้สึกเขาดีเขาดีรู้สึกนั้นเจอผู้ร้ายเขาสู้ไ้ไม่ไหวแต่ว่าอาศัยความอดทนฝึกตัวเองเรื่อยๆฝึกทุกวันไม่เลิกจิตไหลเรารู้ไหลเรารู้ทำความสงบเข้ามาจนทัง่งตัวรู้นี่มันเด่นดวงตัวรู้มแยกกับกายแยกกับความรู้สึกแยกได้ธรรมชาติเลยครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิม เรียกลวง พ, พ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ใจเราเป็นผูร้รู้งั้นคารวะก็ทําได้นะไม่ใช่ว่าพระต้องทําได้พระทําไม่ได้ก็ถมไปพระส่วนใหญ่ก็ทําไม่ได้หรอกพระส่วนใหญ่มเดอร์วุ่นวายอะไรต่ออะไรตามกิเลฏไปงั้นอยู่ที่ว่าใครจะทำํำงั้นถ้าเราลงมือนะค่อยฝึกไปอะไรที่มันไม่ดีก็ละเสีย อ, อะไรที่ดีแล้วยังไม่ได้ทําก็ทำเสีย อ, อันไหนดีแล้วได้ทําแล้วก็ทําบ่อยๆ ทำทุกวันทำไม่เลิก่อดาเนินชีวิตยอย่างนี้นะใจเราจะสะอาดผ่องแผ้วมากขึ้นมากขึ้นความชั่วเราก็ไม่ทำไม่ทาบาปทั้งกวงทำกูสลให้ถึงพล้อมขึ้นมาจิตเราก็ผ่องแผ้วขึ้นมาถ้ากูศลมันเต็มเมื่อไหร่อริยมรักก็จะเกิดกูนสลของเราเต็มนะอริยมรักก็จะเกิดมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแก่รอบตัวปัญญาคือตัวอมูหะ การที่เรามีศีลมีสมาธิเนี่ยมันข่มราคาโทสะได้มีศีลมีสมาธิมันข่มราคาโทสะได้อย่างถ้าเราตามใจกิเลสนะมีราคาก็ไปฉุดเข้ามาเนะี่หรือไปขโมยเข้ามานะมันชินมันก็ทำง่ายแต่พอเรามีศีลเราไม่ทำเราไม่ทำนานๆไปเนะียใจมันค่อยเข้มแข็งไม่ยอมทำตามอานาจของราคาโทสะ ส่วนโมหะเนี่ยพู่ด้วยการเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปพอปัญญาแก่รอบปัญญานี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะว่าอะโมหะปัญญานี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า อ, าาอะโมหะอะเพราะว่าไม่อะโมหะไม่มีโมหะไม่หลงรู้อย่างที่มันเป็นเข้าใจอย่างที่มันเป็น ถ้าใจเราเกิดปัญญาแล้วเนี่ยใจจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเพราะเราเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ได้เข้าถึงด้วยศีลได้ด้วยสมาธิศีล ส, สมาธนะิเอาไว้ฝึ ก, กจิตฝึกใจไม่ให้หลงไปไม่ได้ถูกอํานาจของราคะโทสะครอบงำแต่ถ้าจะถือศีลให้ดีนะมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจราคะเกิดรู้ทันโทสะเกิดรู้ทัน รู้ทันเนี่ยเป็นปัญญาด้วยการอาศัยรู้ทันจิต ใ, ใจของเรานะศีลก็ดีสมาธิก็จะดีปัญญาก็จะดีขึ้นมาด้วยงนะั้นคอยรู้ทันมีสติรู้เท่าทันจิตใจของเราไปด้วยอย่างเราเห็นกิเลสเกิดเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาความโกรธก็ดับไปความโกรดครอบงําจิตไม่ได้มันก็มีศีลเอากิเลสหรืออย่ยงความโกรธครอบงําจิตไม่ได้จิตนก็มีสมาธิจิตมัน ไม่มีสมาธิเพราะถูกกิเลสลากเข้าไปหรือมันเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนี่ก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญานะเจริญทุกอย่างเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญานะเราสามารถทําได้ด้วยการรู้เท่าทันจิตตัวเองนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันความจริงหลวงพ่อใช้คํามากไปสองคำทนะี่บอกว่า กิเเกิดที่จิตให้รู้ทันเพราะความจริงกิเลสเกิดที่จิตเท่านั้นแต่ย้ำให้ดูว่ากิเลสไม่เราไปหาที่อื่นหรอกให้รู้ทันที่จิตถ้าพูดแค่ว่ากิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้ทันพูดแค่นี้ก็พอแล้วแต่หลวงพ่อเติมอีกนิดหนึ่งกิเลสเกิดมาที่จิตให้รู้ทันกิเลสไม่ไปอยู่ที่อื่นรู้อยู่ที่จิตเรานี้ย่ยแต่อย่าเฝ้าถ้าเฝ้าแล้วตัวรู้จะแข็งอย่าไปจ้องให้มันเผลอไปบ้าง ให้ใจมันไหลไปแล้วรู้ให้มแพ้เกิดกิเลสแล้วรู้ท่านกิเลสอย่าไปรอดูกิเลสถ้าไปเฝ้ารอดูกิเลสเดี๋ยใจจะแข็งทื่อไปว่างๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกเราให้กิเลสเกิดแล้วค่อยรู้กิเลสเกิดแล้วค่อยรู้กิเลสเกิดตั้ไหนกิเลสเกิดเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งไม่ให้มันกระทบไปไม่ห้ามมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะ ตาดูหูฟังใจคิดกิเลสเกิดรู้ทันมันก็เห็นกิเลสดับตรงที่เห็นกิเลสเกิดขึ้นมากิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้นะเดยครอบงำจิตไม่ได้สีนเกิด ก, กิเลสก็ดับปั๊บตรงไฟกิเลสลากจิตให้ฟุ้งซ่านไม่ได้สมาธิก็ เ, เกิดการที่เห็นกิเลสเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแลด้วดับหลายๆทีปัญญาค่อยๆสะสมวันนึงมันปิ้งขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเพราะนั้นภาวนานะดูจากของที่เรามี ของที่เรามีเนะี่ยคือกิเลสเนะี่ยเรามีเยอะรู้สึกไหมกิเลสเกิดเดยอะเลยวันวันหนึ่งไม่ต้องทํามิปัสสนาด้วยการดูกุศหลหรอกนะเพราะมันหายากนะคอยรู้ท่านกิเลสนั่นแหละเพราะันพระพุทธเจ้ า, จ, าจะเริ่มจากกิเลสนะดูครับภิกษุทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาเริ่มจากกิเลสดูครับภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเริ่มจากกิเลส งั้นให้ภูมิใจนะว่าถ้ามีกิเลสเกิดแล้วมีสติเนี่ยได้ปัญญาถ้ามีกิเลสเกิดแล้วไม่มีสติเนี่ยเสียทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเลยเสียหมดเลยนะนสติเนี่ยสำคัญถ้ามีสติเนี่ยโอกาสที่ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาก็มีขึ้นมาแต่สติตัวนี้ไม่ใช่สติธรรมดาสติตัวนี้เป็นสติปัฏฐานคือสติที่รู้กายรู้ใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จิตใจของตัวเอง เใจนี้เป็นหัวหน้าของธรรมทั้งปวงจะชั่วจะดีจะสุขจะทุกข์อาศัยใจนี้เองะจะไปเกิดในภพภูมิใดใดอาศัยใจนี้เองงั้นค่อยๆฝึกนะมีสติรู้ไปรู้สบายๆอย่าไปตั้งตัวรู้ใช้ใจที่ธรรมดาที่สุดใจที่ธรรมดาที่สุดนี่เป็นใจที่กลับกรอกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็มีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของมัน ให้เกิดความรู้สึกก่อนเกิดสุขเกิดทุกข์ก่อนเกิดกุศลเกิดลบโลกรนลง ก, ก, ก่อนแล้วรู้อย่าไปรอดูถ้ารอดูจะไม่มีอะไรให้ดูเลยจะว่างๆเอาไปกินข้าวเมื่อวานนี้ให้ไปพวกที่มาเมื่อวานนี้ใครมาบ้างตอนกินข้าวเหรอกี่ครั้งตอนไปกินข้าวเช้าจำได้ไหมเกินสิบไหมถึงยี่สิบไหม ไม่ถึงถึงใครถึงใครถึงสามสิบภานาไม่เก่งถ้าภาวนาเก่งเนี่ยจะเห็นเป็นร้อยเลยนึกว่าข้อสอบนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีเหรอข้อสอบนี้ยิ่งมากยิ่งดีนะงั้นเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วดูอีกทีว่าเกิดจิเลสกี่ครั้งจิเลสไม่ใช่แค่โลภกับโกรธนะเขามาเหยียบขาเราเราโกรธอยากจะจินอันนี้อันนี้โลภ กิลเลสมีหลงอีกตัวใจลอยอ่ะนะมีหลงอีกตัวฟุ้งซ่านยิ่งเห็นกิลเลสบ่อยยิ่งได้คะแนนมากจำไว้นะพวกเรารีบภูมิใจเลยเห็นสิบครั้งนีง่ใครเห็นยี่สิบครั้งชักจะอายใครเห็นสามสิบครั้งอายมากความจริงเก่งนะไปดูใหม่นะข้อสอบเนี้ยกลับหัวกับหางกับชาวโลกเขาเอาไป